จะตุปัจจัย5้าล้านบาททุนก็หม่อมเสด็จมาที่วัดของพวกเราพวกเราก็ให้คุณปอนะ่ะถวายพระองค์ท่านเพื่อสร้างเจดีไปสองล้านเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเป็นหน่คำพูดอยู่48ล้านคนะณะสัทา ญ, ญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นจะตุปัจจัยที่ได้มาวันสองสาวันนี่หลนะหลวงพอก็คงจะรวบรวมเข้ามาเป็นก้อนนี้แหละเพื่อจะให้มัน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 เหยียบเข้าไปชนใช้ชนขวาชนกู่ชนคนนี่แหละเวลาเขาจับรถนะเขาไม่ได้จับรถแล้วก็จับคนนะจับโซเฟฟรถไปขังคุก ข, ขังตลาดชนซูโซฟรถเป็นคนผิดเสีรถไม่ได้ผิดออโฟอร์เป็นคนผิดนี้ก็เหมือนกันในหลักธราความสวนของพุทธะนให้ความสำคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจ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 หรือทำบคนมากก็ทำเป็นสองสายกระสุดแท้แต่คู่บาคะกรรมการจะช่วยกันดูแลกับพี่น้องประชาชนเมื่อตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาไปจำที่แต่วายพัฒนาหารอุทิศสวนกุศลละทีนี่เป็นการกล่าวอุทิศสวนกุศลจากนั้นพระมาจากอย่างจา ก, จากต่างถิ่นต่างแดนพระในวัดของเราเนี่ก็ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมมีพระมีจตุป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 ถือว่าวันวันที่22สองวันพุ่งนี่แหละเป็นวันสําคัญยิ่งเพราะนั้นพวกเราได้ทาบุญในวันสําคัญยิ่งอีกต่างหากทาบุญวัตถุ ส, สวนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและก็พร้อมกันกับเป็นวันมาฆบูชาพอตกตอนเย็นวันที่วันพุ่งนี้พวกเราก็คงจะมีการไหว้พระเสร็จแล้วก็คงจะกล่าวคาถวายบูชา